แถวนี้ผีดุคืนฝนหาล่าผีพงสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อนายจรรยอายุห้าสิบปีจะขอถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่ทั้งตื่นเต้นและสยองขวัญในคราวเดียวกันเรื่องราวนี้แม้จะเกิดขึ้นนานแล้วสมัยที่ผมยังเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณสิบห้าบหกปีก็ตามแต่ผมจะมาขอยืนยันว่า ตำนานผีไทยที่เรียกกันว่าผีพงนั้นมันมีอยู่จริงในสมัยนั้นผมจะสนิทกับคุณตามากคุณตาของผมแม้จะมีอายุมากกว่า70ปีแล้วแต่ยังคงแข็งแรงไปไร่ไ ป, ไปสวนที่เดินเหินได้คล่องแคล่วท่านเป็นคนที่ชอบเรียนคาถาอาคมมีตำราวิชามากมายทั้งวิชาไล่ผีวิชาคงกระพันวิชาต่อกระดูกตัวผมเองก็สนใจมากอยากจะร่ำเรียนวิชาต่างๆจากตาบ้าง แต่ท่านก็ไม่ยอมถ่ายทอดให้ท่านคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาเพราะผมยังไม่สามารถรักษากฎระเบียบหรือข้อห้ามต่างๆได้ซึ่งหากทําผิดไปโดยที่ไม่รู้หรือจงใจทําผิดที่เรียกว่าผิดครูอาถรรพ์จะเข้าตัวทําให้กลายเป็นคนบ้าเสียสติบางคนหนักถึงกลับเป็นปอบเลยก็มีแต่ท่านก็อนุญาตให้ติดตามไปได้ทุกฝนทุกแห่งไม่ว่าจะเข้าไปหาของดีของครั้งว่านมงคลต่างๆเพื่อ น, นํามาปลุกเสพ หรือเดินทางไปหาครูบาอาจารย์ท่านไหนก็จะพาไปด้วยเพื่อให้ผมเรียนรู้ก่อนอาจจะครูพักรักจำเอาวิชาต่างๆมาเรียนรู้ได้ซึ่งก็อยู่ที่ไหวพริบของผมเนี่ยแหละครับว่าจะทำได้หรือเปล่าการติดตามคุณตาไปทุกคนทุกแห่งทำให้ผมรู้ว่ากว่าจะได้วิชาอาคมนั้นมาก็ยากพอสมควรไหนต้องมีข้อห้ามต่างๆนานาที่ตัวผมเองก็ยอมรับว่าอาจทาไม่ได้จึงต้องรอวันเวลาที่เหมาะสมก่อน และมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวตื่นเต้นและน่ากลัวไปพร้อมๆกันในปีนั้นผมจำได้ว่าเป็นฤ ด, ดูฝนมีชาวบ้านมาขอให้ตาไปไล่ผีพงเพราะช่วงหน้าฝนผีพงจะออกอารวาสไปเที่ยวหากินของสดของขาวหรือสัตว์เป็นๆของคนในหมู่บ้านทำให้สัตว์ต้องล้มตายเป็นจำนวนไม่น้อยผีพงที่ว่านี้มันเป็นเพศชายมีความเก่งฉกาดและว่องไวมากราวกับว่า มันเป็นผู้มีวิชาอาคมและต้องอาถรรพ์ของอาคมหรือผิดครูจึงกลายเป็นผีโพงเที่ยวกินของสดของข่าวทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนเมื่อชาวบ้านมีเรื่องทุกข์ร้อนมาพึ่งพาอาศัยคุณตาของผมก็รับปากว่าจะจัดการให้แต่จะได้มากน้อยแค่ไหนนั้นยังไม่สามารถตอบได้เพียงแค่นี้ชาวบ้านก็ดีใจแล้วครับในคืนต่อมาช่วง ม, มืดประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม ในสมัยนั้นเวลานี้ก็ถือว่าดึกดื่นแล้วชาวบ้านจะพากันเข้านอนกันเกือบหมดแล้วมีแต่คุณตากับผมที่ไปดักรอผีพงใกล้ๆกับคอกควายของชาวบ้านคนหนึ่งที่มาบอกตาไว้ว่ามีผีพงจะมาลักควายของแกไปกินคุณตากับผมแอบอยู่ที่ข้างๆรั้วคอกควายมีต้นไม้พุ่มเตี้ยๆบังอยู่ผ่านไปก็ราวๆเกือบชั่วโมงผีพงยังไม่มาฝนเริ่มตกหนักมากขึ้นยุงก็ชุม ผมออกความเห็นบอกกับตาว่ามันไม่น่าจะมาแล้วแต่พอพูดไม่ทันจบประโยคแสงสีส้มคล้ายๆกับหิ่งห้อยลอยมาเป็นกลุ่มพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่เดินมาเบาๆผมเห็นลางๆว่ามันเป็นผู้ชายรูปร่างผอมนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมเสือ้อแสงสีส้มหยดๆคล้ายกับหิ่งห้อยย้อยออกมาเป็นทางจากรูจมูกขนหัวของผมลุกสู้ขึ้นมาทันทีเพราะในชีวิตนี้ แม้จะติดตามตาไปหลายแห่งก็ยังไม่เคยเจอผีในร่างคนที่ดูน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนผมเห็นตัวมันลางๆกับแสงไฟเท่านั้นนะครับยังดูวังเวงน่ากลัวขนาดนี้ถ้าเห็นหน้าตาของมันคงจะช็อกหัวใจวายกันพอดีระหว่างนั่นเองผมเห็นตาหยิบคำหมาขึ้นมาเคี้ยวๆผมก็เฝ้าสังเกตว่าตากาลังจะทาอะไรแล้วก็ได้ยินเสียงท่องมนต์คาถาในลาคอเบาๆ ในขณะที่ผีโพงกําลังก้าวเข้าไปในคอกควายและกําลังปลดเชือกควายออกนั้นตาก็วิ่งกระโจนเข้าไปและพ่นน้ําหมากใส่พร้อมกับสวดคาถาไปด้วยผีโพงมันตกใจเรียวิ่งออกไปจากข้อควายแต่การหนีของมันรวดเร็วมากครับมันสามารถลอดผ่านช่องไม้ที่นํามาทำข้อควายได้อย่างว่องไวเรากับว่าตัวมันยืดหยุนได้แต่ตาผมก็ไม่ยอมเหมือนกันวิ่งไล่ตามไปติดตดิผมก็ไม่รอช้าเรียวิ่งตามไปติดๆดเหมือนกัน ฝนก็เริ่มตกหนักลงมาเรื่อยๆผีพงมันวิ่งตรงไปยังทุ่งนาส่วนตาก็วิ่งตามไปและพ่นน้ำหมากไปด้วยเหตุการณ์เป็นไปอย่างอุตตลุดชุลมุนในที่สุดน้ำหมากที่ลงคาถาอาคมของตาก็ได้ผลครับพอพ่อนใส่มันหลายๆรอบมันก็อ่อนแรงลงและสุดท้ายก็ไปไม่เป็นมันล้มลงตรงทุ่งนาพอดีฝนตกหนักฟ้าก็ร้องผมที่ยินเปียกเป็นลูกหมาตกน้ําได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าไปใกล้มาก ต่ก็เห็นเหตุการณ์ได้ชัดเพราะส่องคบไฟดูเป็นระยะระยะผมเห็นว่าพอมันล้มลงแล้วตาจับตัวมันขึ้นมาแล้วใช้มีดหมอที่ลงคาถาชี้เข้าไปที่กลางหน้าผากมันร้องหวยหวนลั่นทุ่งแข่งกับเสียงฝนตามันเหลือกขึ้นข้างบนดูๆไปแล้วน่ากลัวมากครับเพระขอบตาดำคล้ำเห็นได้ชัดเหมือนมีตาขาวเยอะกว่าตาดำอีกด้วยใบหน้าของมันผอมตอบและซีดผอมจนเหลือแต่กระดูและที่เป็นเอกลักษณ์คือ แสงไฟที่ออกจากรูจมูกยังคงหยดย้อยเป็นทางมันร้องครวญครางเจ็บปวดทรมานอยู่นานกว่าสนาทีขณะที่มีดหมอก็ยังจี้อยู่ที่กลางหน้าผากกระทั่งได้นเสียงของผีพงและมันซุดตัวลงแสงไฟจากจมูกของมันก็ค่อยๆดับไปผมค่อยๆเดินเข้าไปดูเหมือนคุ้นๆหน้ากับผีพงตนนี้ตาจึงเอ่ยออกมาว่ามันคือไอ ห, หนุ่มคนนึงในหมู่บ้านข้างเคียงที่ชอบมาเที่ยว ง, งานวัดที่หมู่บ้านผมบ่อยๆ แต่เพราะมันชอบวิชาอาคมมากจึงไปเรียนคุณสมนดำกับพวกหมอผีและมันก็ได้ทำผิดครูหลายอย่างทำให้อัฐันเข้าตัวจนกลายเป็นผีพงอย่างที่เห็นออกมากินของสดของขาวหรือชอบลักวัวลักควายชาวบ้านไปฆ่ากินสดๆตาบอกว่าผีพงตนนี้มันมีพลักกำลังเหลือเฟือเพราะยังหนุ่มยังแน่นมีความบ้องวัยมากหากจะจับมันให้ได้ก็ต้องพ่นน้าหมากที่ร่ด้วยคาถาอาคม ถ้าน้ำหมักโดนตัวมันเยอะเท่าไร่ก็จะทําให้มันอ่อนแรงเร็วเท่านั้นแต่จะให้มันหมดฤทธิ์จริงๆก็ต้องใช้มีดหมอลงอาคมเพราะมีความฉกาดในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ดีนักแม้ว่าจะสยบมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อให้มันหลับจําและไม่กลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนอีกส่วนตัวผีโพงมันจะหาอะไรกินก็คงไม่เดือดร้อนใครถ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบวัวควายหรือสัตว์อื่นๆที่ต้องฆ่าเพราะผีโพงบางตนจะกินแค่ของสกปรกเท่านั้น แต่บางตนก็หิวหอยของสดจนฆ่าสัตว์เป็นๆกินได้และหากใครที่ไปรบกวนมันมันก็จะทำร้ายเอาได้เหมือนกันสำหรับการสยบอิทธิฤทธิผีพงที่ตาทำอยู่ก็แค่สั่งสอนมันชั่วครั้งชั่วคราวกับมันจะทำร้ายมันให้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะจะเป็นกรรมต่อกันอีกอย่างคือการที่คนคนนั้นเป็นผีพงก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของตัวเขาเองไม่มีใครจะทำให้เขาหายจากความเป็นผีพงได้นอกจากตัวเขาเองจะหมดวิบากกรรม หรือต้องถึงอายุไขตายไปเองเท่านั้นพอถึงรุ่งเช้าผมก็แอบเฝ้าดูมันอยู่เห็นว่าร่างผู้ชายคนนั้นได้ฟื้นขึ้นมาเขาก็เหมือนกับคนปกติแต่จะมีอาการอ่อนเพลียต้องค่อยๆแอบกลับบ้านของตนเองไปโดยการเดินลัดเลาะไปตามทุ่งนาจะผ่านทางหมู่บ้านไม่ได้เพราะเวลานี้เป็นตอนกลางวันอาการผีพงยังไม่สัมแดงหากผู้คนมาเจอในสภาพที่ยังเป็นคนและไม่มีริดเดตอะไร อาจจะโดนซ้อมจนกระอักเลือดตายได้นั่นเองครับจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏมีผีพงมาอารวาที่ในหมู่บ้านของผมอีกเลยอาจเป็นไปได้ว่ามันคงจะกลัวมีดหมอของตาผมจึงไม่กล้ามาหากินในหมู่บ้านของผมส่วนตัวผมเองในเวลาต่อมาเมื่อได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากตากลับพบว่าการมีของติดตัวนั้นต้องระมัดระวังหลายอย่างหากพลาดพลั้งไปก็ไม่ดีกับตัวเองแน่ จึงไม่ขอรับวิชาใดๆจากตาเพราะกลัวว่าหากทําไม่ถูกต้องและอาจจะกลายเป็นผีโพงเหมือนผู้ชายคนนั้นก็ได้หลายปีต่อมาคุณตาของผมในฐานะจอมขมังเวทที่โด่งดังคนหนึ่งในหมู่บ้านก็ได้เสียชีวิตลงและน่าแปลกว่าของขลังที่ตาเก็บไว้ทุกชิ้นได้หายไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนเช่นวัวธนูที่แกปั้นขึ้นได้หายไปอย่างน่าประหลาด รวมไปถึงตำรับตำราทั้งหลายก็หาไม่เจอหรืออาจเป็นเพราะว่าเมื่อแก่ตายแล้วไม่มีใครที่เหมาะสมจะดูแลของเหล่านี้ก็ต้องหายไปพร้อมๆกับความตายของตานั่นเองสำหรับเรื่องราวการไล่ล่าผีพงนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสยองและน่าตื่นเต้นในครั้งหนึ่งของชีวิตผมที่ได้สัมผัสมาเลยล่ะครับแล้วคุณละ่ะเคยเจอผีกันบ้างหรื อ, อยัง หากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ